คุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยนะคะต่างก็ย่อมมีเรื่องเล่าความเชื่อที่ถูกเล่าต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น อย่างเช่นเรื่องนี้ค่ะที่บีจะพาคุณผู้ฟังมาหลอนกันกับเรื่องราวหินเฮียนในรั้วมหาวิทยาลัยรามคําแหงค่ะซึ่งมีตำนานที่ถูกเล่าขานกันต่อมาอย่างมากมายซึ่งวันนี้เนีคะบีเองก็ได้คัดมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วถึง7เรื่องเฮียนที่เกิดขึ้นจริงในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะเริ่มกันที่เรื่องที่1ค่ะนั่นคือเรื่องผีที่ตึกวิทย์นะคะ มีเรื่องหนึ่งดังมากค่ะได้ฟังมาจากรุ่นพี่ก็คือมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คนหนึ่งทะเลาะ ก, กับแฟนก็เลยประชดแฟนด้วยการกระโดดตึกจากชั้น4ี่ของตึกวิทยาศาสตร์เก่าถ้าบางคนไม่เคยผ่านตึกนั้นตอนโผลเพลเนี่ยคงไม่รู้นะฮะว่าน่ากลัวแค่ไหนยิ่งมีข่าวนี้เข้ามาด้วย ซึ่งช่วงนั้นเด็กที่อ่านหนังสือแถวนั้นนี่หายหมดเลยค่ะเพราะว่ามีรอปพอนะคะเห็นนักศึกษาสาวยืนอยู่บนดาดฟ้าของตึกแล้วกระโดดลงมาเป็นประจำบ้างก็เห็นเธอยืนยิ้มริมทางทั้งที่เสื้อผ้าของเธอนี่เปื้อนเลือดแล้วก็ไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้นี่เธอยังอยู่หรือเปล่าวันนักศึกษาที่เรียนบริเวณนั้นช่วยไปดูให้ทีนะคะแล้วก็ยังไม่หมดอยู่แค่นี้เนี่ยค่ะสหรับเรื่องเล่าของตึกวิทเนี่ย ยังมีอีกเรื่องที่น่ากลัวไม่แพ้กันเลยก็คือนักศึกษาคณะนิติค่มะมาโดดที่ตึกนั้นเสียชีวิตน่ากลัวจริงๆใช่ตอนปีหนึ่งที่มีเด็กนิติกระโดดตึกวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าการเรียนหรือว่าความรักก็เธอติดอยู่สองเล่มนะคะก็คือ L W 103กับ312มั้งถ้าจาไม่ผิดเนาะตอนเช้ามืดหลังจากที่เธอตายเนี่ยนะคะได้3หรือ7วัน เจ้าหน้าที่ก็เจอเธอมาทำเรื่องจบก็เลยต้องทำบุญที่มหาวิทยาลัยแทนแต่ก็ส่งผลดีเหมือนกันนะคะส่งผลดีต่อผู้ที่สอบไม่ผ่าน2วิชานี้นะเพราะว่าเธอมนันนี่อาจารย์ออกข้อสอบง่ายเป็นพิเศษก็เลยทำให้ผ่านกันเกือบยกบอร์ดเลยทีเดียวทีนี้เรื่องที่สองค่ะเป็นเรื่องที่ตึกกิจกรรม เกิดขึ้นในชมรมเก่าแก่ชมรมหนึ่งของมอรามนะคะซึ่งเมื่อก่อนชมรมนี้เนี่ยพอทํากิจกรรมของชมรมเสร็จหน้าที่เก็บกวาดห้องก็จะเป็นของเด็กที่เพิ่งจะเข้าชมรมใหม่ๆวันนั้นรู้สึกว่าจะเหลือนักศึกษาหญิงเข้าใหม่แค่2คนนะคะตามคําบอกเล่าก็ทําความสะอาดที่ชมรมนี้ ซึ่งเมื่อก่อนตึกกิจกรรมเนี่ยก็จะปิดเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะคะสคนนี้ก็ทําประมาณหกโมงครึ่งแล้วอีกครึ่งชั่วโมงตึกจะปิดก็เลยรีบทํากันซึ่งนักศึกษาคนหนึ่งอยู่ๆก็เอ่ยขึ้นมาบอกเธอเธอเชื่อเรื่องผีหรือเปล่านักศึกษา2คนนี้ได้ยินก็เลยตอบว่าเออสิว่าไม่เชื่อได้ไงเขาว่ากันว่าชมรมของเราเนี่ยเฮี้ยนจะตายนักศึกษาคนหนึ่งได้ยินดังนั้นก็เลยทําหน้าเซ็งๆแล้วบอกว่าถ้ามีจริงก็ไมา้เห็นทีเธอจะขอหวยซะให้เข็ด พอสิ้นคำพูดแค่นั้นล่ะค่ะก็ได้ยินเสียงกระดิ่งข้อเท้าแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็คิดว่าหูแววสักพักหนึ่ง ขณะที่นักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยนะคะกำลังทําความสะอาดชดาสวมหัวอยู่นั้นนะคะก็ได้ยินเสียงกระดิ่งแถวเท้าตัวเองก็เลยกล้มลงไปดูนะคะก็เห็นเป็นเท้าเหี่วเหี่ยวใส่กระดิ่งข้อเท้าอยู่ข้างหลังตัวเองแล้วก็มองลอดหว่างขาก็ตกใจค่ะแต่ก็ยังกลั้นหายใจหันไปมองดูอีกทีหนึ่งก็พบกับความว่างเปล่าซึ่งในห้องนั้นมีแค่เธอสองคนกับเพื่อนเท่านั้นแต่ก็กลั้นใจคิดนะคะว่าเออคงตาฝาดรีบกลับดีกว่า ชักไม่ค่อยดีละแต่ว่าก่อนกลับค่ะเธอหันกลับไปมองตรงที่วางชดาเพื่อความเรียบร้อยอีกรอบแล้วเธอก็เห็นหัวของชายแก่สวมชดาซึ่งมีแค่หัวนะคะหันมายิ้มให้เธอเท่านั้นแหละค่ะเธอกรี๊ดแล้วก็สลบไปซึ่งบางข่าวบางกระแสบอกว่าเธอเนี่ยเลิกเรียนแล้ว กลับบ้านนะคะบางกระแสก็บอกว่าเธอช็อกเสียสติไปนะคะซึ่งบางกระแสบอกว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าหญิงนิทราหลับไม่ตื่นเพราะว่าโดนดึงวิญญาณไปซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเธอเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะส่วนเรื่องที่3ค่ะที่บีจะเล่าให้ฟังกันต่อไปนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องในลิฟ์ห้องสมุดค่ะ นักศึกษาที่มีรหัสแก่ๆเ ก, ก, ก่าๆนี่อาจจะเคยได้ยินกันบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปี 2,542 หรือ 2,544 นี่แหละซึ่งบีได้ฟังมาก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะคะวันที่มหาวิทยาลัยปิดยาวค่ะช่วงเทศกาลปีใหม่คือตั้งแต่วันที่31ธันวาคมยาวไปจนถึงวันที่ 1-4 มกราคมและมันจะติดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะเปิดเรียนอีกทีนึงก็วันจันทร์เลย คือวันที่31ทธันวาคมนะคะในห้องสมุดวันนั้นยามเห็นว่าไม่มีคนแล้วก็เลยปิดห้องสมุดโดยไม่ได้ตรวจตราความเรียบร้อยก็ปิดสวิตไฟหมด ก็เลยไม่รู้นะคะว่ามีนักศึกษาติดอยู่ในลิฟท์ห้าคนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมารู้กันอีกทีหนึ่งก็คือวันเปิดเรียนวันจันทร์ที่5เปิดห้องสมุดมามีนักศึกษาตายอยู่ในลิฟท์ห้าคนน่าสงสารมากซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ยินว่าเขาปิดข่าวนะคะแต่ถ้าใครเรียนในตอนนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเอาพวงรีดมาวางหน้าห้องสมุดด้วยนะคะใครที่ขึ้นลิฟท์ห้องสมุดคนเดียวก็ระวังหน่อยก็แล้วกันอาจจะเจอดีโดยไม่รู้ตัวเรื่องที่ 4. ค่ะหอพักหญิงตรงลานเกือกมา้า เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ชวนขนหัวลุกไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งก็มีเพื่อนเก่านะคะไปเจอผีเข้าจังห้องหนะ้6นงะเตียง7เป็นเตียงชั้นบนเตียงสองชั้นด้วยเวลาเกิดเหตุนเนี่ยอยู่ในช่วงตะวันใกล้โพลเเพแ ล, แล้วนะคะเพื่อนก็นอนหลับ แต่ว่าระหว่างที่สลืมสะลือตื่นเนี่ยก็เห็นผู้หญิงไต่เตียงขึ้นไปหาผู้หญิงที่เห็นเนี่ยใส่ชุดดําไว้ผมยาวกระโดดมาทับตัวเพื่อนดิ้นไม่ได้เลยแหละค่ะทั้งยังบีบคอจนต้องท่องนโมหลายจบแล้วเขาก็หายไปในที่สุดพอสะดุ้งตื่นมาจริงๆก็ไม่เจอใครในห้องและเตียงนี้ก็ไม่มีใครยอมมานอนอีกเลยนะคะซึ่งก็ยังไม่ทราบที่มาที่ไปของผู้หญิงที่ขึ้นมาบีบคอเพื่อนคนนี้เนี่ยว่าเขาเป็นใครและมีตํานานเรื่องอะไรบ้างนะคะ ตำนานเรื่องที่5ที่เกิดขึ้นในรัวมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะก็คือที่ตึกวิศวกรรมศาสตร์ชั้น8นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เคยเจอเหตุการณ์นี้ก็จะรู้เลยว่าชั้น8นี่มันน่ากลัวสมคำร่ำลือเลยบอกว่ามีอาจารย์เสียชีวิตอยู่ในห้องอเขาเรียกว่าห้อง drawing นะคะขณะที่กำลังทำสำรวจอยู่นั้น อยู่ดีๆค่ะลิฟต์ก็เปิดออกแล้วก็ปิดในทันทีพร้อมกับขึ้นไปที่ชั้น8โดยที่ยังไม่มีใครกดลิฟต์ในชั้นใดๆทั้งสิน้นตอนนั้นทุกคนเนี่ยที่เข้าไปนี่ก็ถอยกรูกันออกมาปรากฏว่าก็ไม่มีใครอยากจะขึ้นไปอีกเลยนะคะเรื่องที่6ค่ะตึกภาพพิมพ์ ซึ่งปัจจุบันนี้โดนทุบทิ้งไปแล้วนะคะซึ่งระหว่างที่ใครได้เรียนก็คงจะได้มีโอกาสนะคะได้เห็นตึกภาพพิมพ์ตรงนี้สำหรับตึกภาพพิมพ์นี้นะคะเรื่องของเรื่องก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยที่ตึกภาพพิมพ์ซึ่งเมื่อก่อนนี่ก็จะมีคนโดนฆ่า แล้วก็ถูกนำเอาศพเนี่ยมาทิ้งไว้ที่บ่อน้ำข้างๆตึกในตอนนั้นหลายคนก็นึกว่าเป็นหุ่นของทางคณะศิลปกรรมที่นำมาใช้โปรโมทละครเวทีนะคะจนเวลาผ่านไป 2-3 สาวันค่ะศพเริ่มเน่าแล้วก็ขึ้นอืดอยู่ในบ่อน้ำก็เลยได้รู้ความจริงกันนะคะว่าไม่ใช่หุ่นแต่ที่เห็นเนี่ยมันคือศพของคนตายนะคะเรื่องที่ 7. ค่ะห้องเซรามิกคณะศิลปกรรมศาสตร์เล่ากันจากรุ่นพี่ที่มีสัมผัสที่6คนนึง เขาบอกว่าเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยใส่ชฎาํำอยู่ข้างในห้องซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเป็นเด็กเรียนรำไทยมาฝึกซ้อมกันที่นี่หรือเปล่าพอตอนเช้าเข้าไปถามก็ได้คำตอบว่าไม่มีนะคะรุ่นพี่คนนี้นก็เลยสงสัยว่านางํำที่เข้าเห็นน น, นี่อาจจะไม่ใช่คนแน่ๆและเป็นประจําที่หน้าห้องนี้เวลาดึกๆหมาเนี่ยมันจะหอนกันเกลียวเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะเมื่อไปที่มราคาแหงค่ะ1เลย ไปนั่งที่สะรามตั้งแต่เวลาสามทุ่มเป็นต้นไปโดยหันหลังให้เสาธงแล้วนับเสาไฟวนไปตามเข็มนะนับเรื่อยๆว่ากันว่าพอถึงรอบที่สามจะมีเสาเกินมาหนึ่งต้นคือต้นที่มีคนยืนพิงอยู่และลองโบกมือให้เขาดูนะคะสองค่ะเดินผ่านตึกวิยทยาศาสตร์เก่าแล้วยืนอยู่บนฟุตบาทถนนฝั่งเดียวกับตึกหันหลังให้ตึกแล้วแหงหน้าขึ้นไปจนเห็นดาดฟ้า ว่ากันว่าโชคดีอาจจะเห็นคนโดดตึกด้วยก็ได้นะคะ 3. ค่ะเวลาขึ้นลิฟต์ที่ตึก SBB ลองมองแถวหวางขาดูเผื่อว่ามีขาคนอีกข้างหนึ่งโผล่มาด้านหลัง 4. ห้องน้ำชายชั้น4ี่ตึกกิจกรรมพอเข้าไปนั่งลองผิวปากเป็นเพลงทรณียกันแสงดูค่ะพอหยุดผิวปากจะได้ยินเสียงผิวปากต่อจากห้องข้างๆ 5. เวลาไปดูเกรดที่ตึกนิติตอนเย็น ลองจุดเทียนดูเกรดนะคะว่ากันว่าจะมีคนมาดูเกรดเป็นเพื่อนอีกเพียบเลยแหละค่ะ 6. เวลาเดินผ่านรามตอนกลางคืนลองสังเกตดูจะมีนักศึกษาบางคนอ่านหนังสืออยู่ในมุมมืดของตึกนะคะนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าหากว่าใครที่ฟังแล้วไม่เชื่อก็ฟังเอาความบันเทิงก็แล้วกันถือว่าเป็นการกล่อมให้คุณผู้ฟังที่ฟังแล้วไม่เชื่อหรือว่าอะไรอย่างี้ ได้นอนหลับดีขึ้นเออถ้าคิดอีกแง่หนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นตำนานเป็นความเชื่อที่เป็นเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่นในรั้วมหาวิทยาลัย ร, รามคำแหงที่เรานำมาฝากกันวันนี้ค่ะเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่ เคยมีผู้เขียนไว้นานแล้วล่ะค่ะซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเองแล้วก็คนที่เขียนเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็ไม่เคยได้เผยแพร่ที่ไหนด้วยบีก็ขออนุญาตนําเรื่องนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่พบเจอนะคะแล้วก็ไม่เคยว่าอ่าไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจะไปพบเจอเนื่องจากเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดไม่เคยเชื่อเรื่องผีสิ่งลึกลับสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ในเวลาที่ต้องเดินตอนดึกๆในโรงพยาบาลคนเดียวรอบรอบตัวดูมืดดำทม มึนวังเวงแต่ก็ไม่เคยกลัวผีเพราะเชื่อว่าผีนี่ไม่มีจริงถึงมีจริงก็เป็นแค่วิญญาณจะมาปรากฏให้เราเห็นไม่ได้หรอกเพราะไม่มีปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาได้ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเจ้าของเรื่องด้วยนะคะในเว็บไซต์พันทิปนะคะในกระทู้สยองขวัญ น, นี่แหละเจ้าของเรื่องบอกว่าแต่ว่าการคิดเช่นนั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องเสมอไปดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะ ฉันเป็นพยาบาลที่ต้องทำงานดูแลคนไข้ผู้หญิงในแผนกอายุรกรรมตึกสามัญช่วงที่ฉันจบมาใหม่ๆก็จะขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาต่างๆกันใน24ชั่วโมงซึ่งถ้าเป็นโรงงานเนี่ยจะนิยมใช้คำว่ากะแต่ว่าในส่วนของโรงพยาบาลเรียกว่าเวน ซึ่งก็มีผู้ใหญ่บางท่านขอให้เราเปลี่ยนจากคําว่าขึ้นเวรเป็นขึ้นรับบุญค่ะเพราะว่าฟังแล้วดูคําว่าขึ้นเวรเนี่ยดูไม่สุภาพไม่เป็นมงคลแต่ก็ยังเรียกว่าขึ้นเวรมาอยู่ดีนะคะเวรดึกคืนนั้นก็เช่นกันค่ะฉันทําหน้าที่เป็นหัวหน้าเวรอีกมีพี่พยาบาลและน้องพยาบาลตําแหน่งพยาบาลเทคนิคขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยอีกสองคนรวมเป็น3คนเท่านั้น เมื่อรับเวรต่อจากเวรบ่ายก็ต้องมีการรายงานอาการของผู้ป่วยในความดูแลว่ามีอาการอย่างไรบ้างต้องดูแลต่อเนื่องอย่างไรซึ่งนั่นก็เป็นขั้นตอนตามปกติของการทำงานอยู่แล้วฉันได้รับรายงานว่าต้องเฝ้าระวังผู้ป่วยที่เพิ่งออกจากห้อง i อ u เป็นพิเศษหนึ่งรายเพราะว่าอาการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทีนี้เมื่อรับเวรแล้วก็เดินตรวจเยี่ยมผู้ป่วยภายในตึกที่แบ่งออกเป็น5ล็อก ล็อกที่3เนี่ยซึ่งจะเป็นล็อกกลางอยู่ด้านหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็จะจัดไว้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอาการพิเศษส่วนล็อกที่1และล็อกที่2ล็อกที่4ล็อกที่5จะเป็นผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงโดยกั้นผนังแยกแต่และล็อกซึ่งผนังก็สูงประมาณเมตรครึ่งเกือบ2เมตรแต่ว่า แ, แต่และล็อกนี่ก็จะมี6เตียงนะคะโดยจัดให้นอนหันศีรษะเข้าผนังสองแถว โดยแถวละ3ามเตียงดังนั้นเนี่ยปลายเตียงก็จะหันเข้าหากันเว้นช่องเดินกว้างพอประมาณเมื่อนั่งอยู่ที่ล็อกของตนเองจะไม่สามารถมองเห็นผู้ป่วยล็อกอื่นได้แบบที่เห็นตามโรงพยาบาลทั่วๆไปนั่นละค่ะคนไข้ส่วนมากก็จะนอนพักผ่อนกันหมดแล้วแทบทุกเตียงก็จะมีญาติเฝ้าส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่อาการดีแล้วเกือบทั้งหมด เรา3ามคนทางานประจำเวรดึกเสร็จประมาณตีสองแล้วก็ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยแต่ละเตียงอีกครั้งโดยต้องตรวจวัดสัญญาณชีพจรทุกรายที่ต้องเฝ้าระวังอาการและคนไข้ที่ต้องเตรียมส่งตรวจพิเศษหรือในรายที่มีการงดน้ํางดอาหารไว้รวมทั้งบันทึกอาการของผู้ป่วยด้วยเมื่อแรกรับเวรไว้อย่างเรียบร้อย ทีนี้ด้วยภาระแล้วก็หน้าที่ที่ต้องกระทำในชีวิตประจำวันและการทำงานที่ผิดเวลาไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปทำให้พยาบาลคู่เวรของฉันทั้งสองคนเนี่ยขอเวลาพักโดยการฟุบลงที่เคาน์เตอร์ แต่โดยส่วนตัวของดิฉันเองดิฉันไม่คิดถึงเรื่องของการพักผ่อนแต่อย um ่างใดก็เลยหยิบหนังสือเรียนของมสทที่โรงเรียนในสาขาวิชาบริหารไว้มาอ่านเนื่องจากเป็นตึกผู้ป่วยสามัญดังนั้นการจัดวางเคาน์เตอร์พยาบาลจึงอยู่ไม่ห่างจากเตียงผู้ป่วยมากนักไฟฟ้าที่เปิดใช้ในตึกจะเป็นไฟนีออนขนาดใหญ่ในรางคู่ที่ติดที่เพดานเป็นระยะส่องสว่างมากและมีไฟ เป็นไฟพลางเป็นหลอดดวงเทียนที่หัวเสาแต่ละต้นมีสวิตซ์เปิดปิดที่ใช้ร่วมกันเป็นจุดถ้าจะเปิดไฟนีออนเพื่ออ่านหนังสือที่เคาน์เตอร์ก็ต้องเปิดทั้งหมด ฉันเห็นว่าจะเป็นการรบกวนการพักผ่อนของผู้อื่นจึงเปิดเฉพาะไฟพลางและไฟนีออนในจุดสำคัญของตึกเท่านั้นส่วนตัวของดิฉันเองก็เลือกที่จะนั่งอ่านหนังสือด้านหลังเคาน์เตอร์โดยที่นั่งอ่านหนังสือเป็นโต๊ะที่จัดวางชิดผนังห้องด้านที่ติดบานเกรดสามบานและติดกับประตูซึ่งอยู่หลังเคาน์เตอร์หันหน้าไปทางผู้ป่วยคืนนั้นค่อนข้างเงียบกว่าคืนอื่นๆผู้ป่วยพักผ่อนกันอย่างสงบ ดิฉันนั่งอ่านหนังสือไปเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกแสบตาเนื่องจากต้องเพ่งมองตัวหนังสือที่สะท้อนกับแสงไฟนีออนเมื่อมองนาฬิกาก็เป็นเวลาตีสี่กว่ามองไปยังเตียงผู้ป่วยก็ยังพักผ่อนกันอยู่ก็เลยคิดว่าจะพักสายตาสัหน่อยเพราะรู้สึกแสบตามากซึ่งตามปกติในเวลาตีห้าต้องเริ่มปลุกผู้ป่วยเพื่อเริ่มการพยาบาลตามประจำวันแล้วเนื่องจากมีเวลาเหลืออีกเพียง1 0บถึงยีนาทีเท่านั้นจึงไม่คิดว่าจะหลับ ซึ่งโดยปกติแล้วในแต่ละเวรนอกเวลาจะมีพยาบาลที่อาวุโสกว่าคอยเดินตรวจความเรียบร้อยและเพื่ออำนวยความสะดวกช่วยตัดสินใจแก้ปัญหาบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเรื่องที่พยาบาลขึ้นไปปฏิบัติงานไม่สามารถตัดสินใจตามลำพังได้ดังนั้นดิฉันก็เลยจะเฝ้าระวังอยู่เพื่อที่เวลามีพยาบาลตรวจการมาจะได้ให้ข้อมูลที่ต้องการได้ แต่ว่าวันนี้ยังไม่มีพยาบาลตรวจการท่านใดามาซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าแต่ละคนมีการตรวจเยี่ยมที่ไม่เหมือนกันจะมาเวลาไหนก็ได้แต่ว่าขณะที่ฉันพักสายตาโดยการหลับตาฟุบหน้าผากลงกับท่อนแขนที่วางในแนวขนานกับขอบโตะ๊ะดิฉันก็รู้สึกว่ามีคนมายืนอยู่ข้างๆตัวของดิฉันก็เลยลืมตาตื่นขึ้นมาทําให้สายตาของฉันสามารถมองลอดข้างลําตัวได้ฉันเห็นพยาบาลคนหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่พยาบาลคู่เวรของฉันแน่เนื่องจากลักษณะรูปร่างที่เห็นและลักษณะของชุดที่สวมซึ่งฉันมองเห็นตั้งแต่เอวลงไปจนถึงรองเท้าไม่ใช่เพื่อนพยาบาลในเวรฉันแน่นอนฉันคิดว่าน่าจะเป็นพยาบาลอาวุโสที่คอยมาตรวจการชื่อพี่อ้วนเพราะว่าขนาดรูปร่างคล้ายกันพี่เนี่ยเขาเดินมายืนข้างๆแล้วก็พูดว่าตื่นตื่นสิไปดูคนไข้ พร้อมกับเสียงหัวเราะแปลกๆที่เล็กแหลมแล้วก็เยือกเย็นพูดซ้ำๆกันอยู่แถมฟังเสียงแล้วเหมือนกําลังหัวเราะเยาะฉันยังไงอย่างนั้นเสียงนั้นบอกให้ตื่นแต่ฉันก็ตื่นลืมตาอยู่นี่นาฉันรู้ตัวมองเห็นชัดเจนตอนนั้นฉันรู้สึกอับอายมากเนื่องจากฉันเนี่ยไม่สามารถขยับตัวได้เลยไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขาหรือส่วนใดก็ตามรู้สึกว่าตัวฉันทําไมมันหนักอย่างนี้ดูสิ พี่เขาเรียกให้ตื่นแล้วยังฟุบอยู่อีกฉันอยากจะขยับลุกขึ้นนั่งมากแต่ทำไมขยับไม่ได้นะฉันไม่ทันนึกหรอกว่าเป็นเพราะอะไรนึกแต่ว่าน่าอายจริงๆเราไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนี่นาพอพี่พยาบาลคนนั้นเรียกเราซ้ำๆสองสาครั้งพร้อมทั้งหัวเราะเยาะแล้วก็หมุนตัวไปทางประตูแล้วก้าวขาออกไปเท่านั้นน่าแปลกใจที่ว่าฉันดีตัวลุกขึ้นนั่งได้ทันที พร้อมกับได้ยินเสียงออออาเหมือนคนครางหนักๆไม่ทันคิดอะไรมากไปกว่านั้นฉันพุ่งตรงไปยังเตียงคนไข้ที่ต้องเฝ้าระวังอาการเตียงที่14ล็อกที่สทันทีเห็นคนไข้นั่งที่เตียงจึงถามว่าป้าป้าร้องทำไมป้าเป็นอะไรหรือเปล่าป้าบอกว่าป้าไม่ได้เป็นอะไรและป้าก็ไม่ได้ร้องด้วยฉันก็เลยเดินงงๆออกมาอ้าวก็ได้ยินเสียงคนร้องครางจริงๆนี่นาะ แต่ว่าขณะที่เดินผ่านเตียงคนไข้เตียงที่9ล็อกที่สองซึ่งล็อกอื่นๆจะมองไม่เห็นสายตาของฉันมองเห็นคนไข้นอนตาเหลือค้างมือเกรงทุกคนที่อยู่ในล็อกนั้นหลับกันหมดไม่มีใครตื่นอยู่เลยสักคนฉันก็เลยรีบเรียกพยาบาลคู่เวรของฉันทันที เรารีบให้การพยาบาลอย่างเร่งด่วนเนื่องจากผู้ป่วยเป็นเบาหวานและงดน้ําและอาหารตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเพื่อเจาะเลือดดูน้ําตาลในกระแสะเลือดจึงทําให้เกิดอาการน้ําตาลในเลือดต่ํากระทานหันเมื่อแก้ไขาอาการของคนไข้ฟื้นขึ้นพูดคุยได้แล้วก็เลยถามลูกชายของคนไข้อายุประมาณ20กว่าปีที่เฝ้าอยู่ด้วยว่าเห็นคนไข้เกรงตอนไหนได้ยินเสียงร้องหรือไม่ ปรากฏว่าลูกชายของผู้ป่วยบอกว่าตื่นมาพร้อมกับที่ได้ยินเสียงพยาบาลเรียกนั่นแหละเพราะตอนเฝ้านอนหลับอยู่ใต้เตียงแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงผู้ป่วยร้องแต่อย่างใดถามคนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆ ก, ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรแล้วทาไมฉันถึงได้ยินเสียงร้องครางอยู่คนเดียวเมื่อทํางานอื่นๆจนถึงเวลา6กโมงเช้ามีพี่พยาบาลอาวุโสเดินมาถามรายงานยอดผู้ป่วยประจําเวรตึก ซึ่งคนละคนกันกับที่ฉันเห็นเมื่อคืนตอนตีสี่แน่นอนเพราะว่าลักษณะไม่เหมือนกันเลยจากรูปร่างผอมเป็นรูปร่างอ้วนยังไงก็ไม่เหมือนกันแน่ฉันก็เลยบอกไปว่าพี่อ้วนเข้ามาตรวจไปแล้วค่ะแต่ที่ฉันต้องตกใจสุดขีดเมื่อพี่เขาบอกว่าพี่นี่แหละเวรตรวจกลางคืนที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาที่นี่เลยนี่นาอ้าวแล้วพยาบาลที่เรียกฉันเมื่อคืนเป็นใครกัน ทำให้ฉันเริ่มทบทวนเหตุการณ์ถ้าเป็นพยาบาลจากตึกอื่นเดินเข้ามาซึ่งตอนที่ฉันไปที่เตียงคนไข้ในทันทีที่พยาบาลคนนั้นก้าวขาออกห่างจากตัวฉันฉันน่าจะต้องเห็นเขาอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเหมือนเราหันหน้าไปนั่นแหละแต่ทำไมฉันไม่เห็นเลยละ่ะในตอนนั้นฉันไม่ทันนึกเท่านั้นเองว่าเขาหายไปไหนเพราะต้องรีบช่วยคนไข้ก่อนแล้วเสียงที่ได้ยินทั้งสองครั้งอย่างชัดเจนน่ะไม่ใช่เสียงวิทยุหรือโทรทัศน์แน่ เพราะไม่ได้เปิดทิ้งไว้แม้ขณะนี้ฉันก็ยังจำลักษณะของเสียงและคําพูดได้อยู่แล้วแล้วเขาเป็นใครกันเมื่อฉันเล่าเรื่องนี้ให้พี่ๆ พ, พยาบาลในตึกฟังปรากฏว่าทุกคนฟันธงว่าน่าจะเป็นพี่พยาบาลคนหนึ่งที่เคยทำงานอยู่ที่ตึกนี้และประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์แล้วเสียชีวิตก่อนหน้าที่ฉันจะมาทางานที่นี่ก็เลยไม่รู้จักกัน สุดท้ายหากเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้ฟังและเกิดความเชื่อต่อการทำความดีละเว้นความเชื่อเพราะโลกของวิญญาณมีจริงก็ขออนุสวงนี้ส่งผลให้ดวงวิญญาณของพี่พยาบาลคนนั้นได้ไปสู่สุคติด้วยเทินและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บีถอดใจความมาจากเว็บไซต์พันทิปกระทู้ผีนะคะที่เป็นพี่พยาบาลเวรดึกค่ะเข้ามาเขียนไว้บอกว่าพยาบาลเวรดึก ตึกอายุรกรรมหญิงค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาเล่าให้ฟังประจำวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะในช่องของเรายังมีเรื่องน่าติดตามเยอะแยะมากมายอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วละค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ